50 languages. สี่สในดิสโกเทค ड ि स ् क में. ที่นั่งนี้ว่างไหมคะ क्या यहां जगह खाली है? दी शंत नांग कब कुन डाई मेका? ค่ะผมจะไปที่นั่น लेकिन बैंड बहुत अच्छी मास्क ी पेश क र रहा है। कुन मा थी नी बॉय मैं का क्या आप अक्सर य ह ां आते हैं? नहीं आज पहली बार आया हूँ। डी चंद नहीं कोई मा थी नी रे का इससे पहले कभी नहीं आया। คุณอยากเต้นราไหมคะแกอาบนัชเชงกีอีกเดียวอาจจะไปค่ะช่ายทุดีดี๋บดดิฉันเต้นไม่เก่งค่ะเเม่ไช่ตระหาส์ส์นี่ยักาง่ายมากเลยค่ะยีบะฮอัดิฉันจะแสดงให้คุณดู ไม่เป็นไรวันอื่นดีกว่าค่ะ न ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมใครอยู่หรือเปล่าคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใा र कर रहे हैं ใช่ค่ะรอแฟนอยู่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ाม่ใมาแล้วค่ะ वो व ह ่าห้องจะ ह า